สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริณายกเจริญสุวัฒโนเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดบวรนิเวศวิหารทรงดํารงตําแหน่งเมื่อพุทธศักราช2532ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันสาร้อยปีทรงประสูติเมื่อสมตุลาคมพุทธศักราช2456ราสและสิ้นพระชนเมื่อวันที่ 24. ตุลาคมพุทธศักราช2556และโดยคุณูปาการที่ทรงสร้างไว้อย่างมากมายมหาศาล จึงเป็นที่ประจักษ์ของผู้นำชาวพุทธทั่วโลกดังนั้นในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกชนแห่งโลกโดยผู้นำชาวพุทธจาก32ประเทศที่มาร่วมประชุมณประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพุทธศักราช2555ในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นได้มีการลงมติทูลเกล้าวถวายตำแหน่งพระเกียรติยศอันสูงสุดแด่พระองค์ท่านในฐานะผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา พร้อมข้อความใบประกาศถวายพระเกียรติเป็นภาษาอังกฤษขออนุญาตหยิบยกคำแปลบางส่วนซึ่งทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้แปลไว้ดังนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกผู้ทรงได้รับการเคารพสูงสุดและได้รับการไว้วางใจอย่างสุดซึง้งจากพุทธศาสนกชนชาวไทยที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา ว่าทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งดินแดนแห่งรอยยิ้มทรงเป็นผู้สอนพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกคนปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในปัญญาธรรมและพระกรุณาธรรมทั้งยังทรงเป็นผู้นำราชอาณาจักรไทยไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองนับเป็นแบบอย่างของสากลโลกและทรงมีพระบารมีปกแผ่ไพศาลไปทั่วราชอาณาจักรไทย และประเทศพุทธศาสนาทั่วโลกพระศรัทธาที่เปี่ยมพระทยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ได้รับการแท้ซองและเทิดทูนจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกด้วยความทราบซึ้งในพระกรณียกิจทั้งปวงในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในนามพุทธศาสนิกชน3า0สล้านคนทั่วโลก พร้อมผู้นำสุดยอดจาก32ประเทศขอทูลเกล้าถ ว, วายพระเกียรติยศอันสูงสุดนี้แด่พระองค์ด้วยความปีติโสมนัสเป็นล้นพลคคำประกาศยกย่องจากที่ประชุมสุดยอดผู้นำทางพุทธศาสนาจาก32ประเทศทั่วโลกทุกนิกายมีการเผยแพร่ทั่วไปกล่าวได้ว่าไม่เพียงแค่พวกเราชาวไทยเท่านั้นที่ประจักษ์ในพระกรณียกิจ เพื่อการศาสนาของพระองค์ท่านแม้ชาวพุทธทั่วโลกและผู้นำสูงสุดด้านพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆก็ประจักษ์ด้วยดังคำประกาศข้างตน้นและในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2556พระสักยะวงศ์วิสุทธ์ผู้ช่วยเลขานุ ก, การสมเด็จพระสังฆราชกล่าวว่า วัดบวรได้รับการประสานงานจากสภาผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลกว่าในวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2556นี้ภิกษุดรเกียวเซเอนชินโจในฐานะประธานผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลกและคณะจะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากสภาผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งการประชุมผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543นณเมืองเกียวโตและมีการประชุมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังส่งผลให้มีการจัดสร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกในบริเวณหุบเขาเมืองเกียวโตซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมา สภาผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลกก็ยังได้มีการถวายสมัญญาณามยกย่องสมเด็จพระสังฆราชในฐานะผู้นำสูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนาอีกด้วยผู้ช่วยเลขานุ ก, การสมเด็จพระสังฆราชกล่าวอีกว่าองค์การอนามัยโลกหรือหูได้ส่งสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากสมเด็จพระสังฆราช เคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิส่งเคราะห์ผู้เป็นโรคเรื้อนแห่งประเทศไทยซึ่งพระองค์ได้ส่งเคราะห์ผู้เป็นโรคเรื้อนและหาวิธีการป้องกันไม่ให้ระบาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้โรคเรื้อนหมดไปจากประเทศไทยในยุคพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเจอพระประวัติทั้งหมดจะเห็นได้ว่า สมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัโนทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่แก่วงการพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ส่งไปถึงวงการพระพุทธศาสนาทั้งโลกและทรงเป็นที่ยอมรับของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกบัตรนี้แม้ท่านจะส่งจากพวกเราไปแล้วแต่ก็ยังท่งเหลือสิ่งมีค่าไว้ให้พวกเราอีกมากมายนั่นก็คือคําสอนและตําราทางพระพุทธศาสนาที่มีค่ายิ่ง ร่วมกันเร่งศึกษาปฏิบัติเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระองค์ท่านคงจะเป็นทางที่ดีที่สุดนับว่าเป็นโชคดีของพวกเราชาวไทยที่แม้ไม่ได้ฟังคำสอนจากพระองค์ท่านโดยตรงแต่ก็ยังมีหนังสือเสียงเทศเสียงอ่านหนังสือให้เราได้ศึกษาและร่วมกันเผ ย, ยแพร่ อ, อีกมากมายการผลิตสื่อชุดนี้ด้วยเจตนาจะเผยแพร่ พระเกิติคุณขององค์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชให้เป็นที่รู้จักแก่หมู่ศาสนิกชนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่น่าจะได้ประโยชน์จากคำสอนอันมีค่ายิ่งของพระองค์ท่านสัพพะธนังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงร่วมกันศึกษาปฏิบัติจนเกิดผลและเผยแพร่ไปสู่คนรอบข้าง เป็นการปฏบิบัติบูชาแด่พระองค์ท่านได้ดีที่สุดขอกราบอนุโมทนาทุกท่านมาณะที่นี้จบพระประวัติสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒนะมหาเทระเหมือนจันเพ็ญ ที่เคยสรองเย็นได้ลาจากฟ้าเปลี่ยนพันสายทานเวลาให้ชีวาได้มองได้เห็นสัจธรรมคือความเข้าใจในสิ่งที่เป็นใดๆไม่มีว่างเว้นล้วนเป็นเพียงอนิจจัง น้ำค้างเพียงโดนแดดจางก็พลันสลายชีวิตเบาบางมากมายเพียงจำไว้ทุกวันสำคัญดีหรือร้ายกระทำอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นรำลึกถอยร้อยรำพันสังคบิดาจาึบในใจ แ <se> ค่จะได้พบพันสู่ทางทำบันดาลในชาติสุท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดผองภัยสถิตว่า Phong pay, satit white in dan ระ a m ร r a n a r u p a n Satit white, pierce the good, chua nirut run. s a t เสียงอ่านโดยโจโฉดนตรีบรรเลงเป็นโนโดยตองพีขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงเป็นโนมาประกอบกับเสียงอ่านนะครับสามารถเผยแพร่เสียงอ่านผลงานของโจโฉได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นติดตามดาวโหลดผลงานเสียงอ่านหนังสือธรรมะอื่นๆได้ฟรีอีกที่ j o โ o net jozho.net หรือพิมพ์คำว่าโจโฉภาษาไทยที่ช่องค้นหาได้เลยนะครับอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่สื่อธรรมะชุดนี้ร่วมกันจเจริญในธรรมครับ